8. เวทนานุปัสสนาวงเล็บเปิด15ธันวาคม2550ในวงเล็บ 2. จุดจุดนาที30วงเล็บปิดการที่จะแยกเวทนากับการข้ามเวทนานี้ไม่เหมือนกันอย่างถ้าเราจะนั่งแล้วก็ทนเวทนาจนกระทั่งจิตเราเข้มแข็งเห็นทุกเป็นเรื่องธรรมดาใจเราเป็นกลางต่อความทุกข์เป็นการเจริญเวทนานุปัสสนา ถ้าเราจเจริญกายานุปัสสนาเรานั่งอยู่นี่มันปวดมันเมื่อยเราเปลี่ยนอริยาบทไปเราก็จะเห็นว่ารูปนี้เมื่อกี้นั่งตอนนี้ลุกขึ้นยืนลุกขึ้นเดินรูปนี้ไม่คงที่เปลี่ยนอริยาบทได้เพราะเราไม่ได้ดูเวทนาเป็นหลักถ้าหากเราดูจิตเราไปนั่งขามันปวดขามันปวดขึ้นมาจิตมันกระสับกระสายรู้ว่ากระสับกระสายเรารุกขึ้นเปลี่ยนอริยาบท ความปวดเมื่อยหายไปจิตมีความสุขจิตมีความพอใจรู้ว่าจิตพอใจนี่ฝึกอย่างนี้ก็ได้มีหลายทางนะแต่ถ้าเราจะฝึกเวทนานุปัสนาต้องสู้ตายสู้ตายหมายถึงว่าถ้าจะตายก็ตายจะพิการก็พิการจะเดินไม่ได้อีกแล้วก็ให้มันเดินไม่ได้ไปขอเอาความจริงอย่างเดียวดูสิเวทนากับร่างกายนี่มันอันเดียวกันไหมเวทนากับจิตนี่มันเดียวกันไหมค่อยดูไปแต่มันมีวิธีทางลัดขี้โกงหน่อย สังเกตดูมันจะมีแต่ผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้หัดแยกตัวนี้ไปเรื่อยๆความโกรธเกิดขึ้นเห็นไหมว่าความโกรธ ถ, ถูกรู้จิตผู้รู้อยู่ต่างหากร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนถูกรู้จิตที่เป็นคนรู้อยู่ต่างหากความสุขความทุกข์ในใจเราเป็นของถูกรู้จิตที่เป็นคนรู้อยู่ต่างหากถ้าแยกเอาตัวรู้ออกมาได้เวลานั่งจะเห็นทันทีเลยร่างกายก็ส่วนหนึ่งเวทนาก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งจะแยกกันเอง คนที่เจริญเวทนานี่ไม่ได้ภาวนาเพื่อให้หายเจ็บนะแต่ภาวนาเพื่อให้เห็นว่าเวทนาก็เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือการบางังคับของเราไม่ใช่จะเอาชนะเวทนาการฝึกเอาชนะเวทนาเจ็บปวดก็ทนดูไปเรื่อยๆมันได้ความเข้มแข็งนะแต่ว่ามันจะไม่ได้ปัญญาแท้ๆมันจะรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่งกูเก่งเพราะฉะนั้นอย่าตั้งเป้าผิดถ้าตั้งเป้าผิดก็เดินผิดละเป้าหมายของการปฏิบัติต้องถูกต้อง เรารู้เวทนาเพื่อให้เห็นว่าเวทนาไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเราเห็นไหมความปวดไม่เคยคงที่เดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาเดี๋ยวแรงเดี๋ยวเบาไปเรื่อยๆแต่เราอยากให้หายเหมือนเราทําด้วยโลภะนะทําด้วยกิเลสเมื่อเราปฏิบัติ ท, ทําด้วยกิเลสนี่ใจเราไม่สมควรที่จะรองรับธรรมะขั้นสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นอย่าภาวนาเพื่อให้หายปวดแต่ภาวนาเพื่อหเห็นว่าความปวดเป็นสิ่งที่เราบังคับให้หายไม่ได้